รู้ไหมอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเอาความสามารถในการให้คำจำกัดความคนอื่นมาใช้ฝึกให้คำจำกัดความตนเองคุณเคยให้คำจำกัดความสั้นๆสรุปว่าใครเป็นอย่างไรด้วยคำเพียงสองสาคำหรือไม่รู้ไหมว่าคำจำกัดความสั้นๆของคุณนั้นหากได้ผล ประทับเข้าไปอยู่ในความทรงจําคนฟังได้จะเกิดอคติทางบวกทางลบขึ้นได้แค่ไหนหมอนั่นชอบนึกว่าตัวเองเก่งอยู่คนเดียวใหญ่เนี่ยชอบคิดเพียเพ้ยนๆจนเข้ากับใครไม่ได้เจ้าคนนี้เก่งแต่ขี้เกียจน้องเป็นคนไม่ละเอียดพี่เป็นพวกทําไม่ได้แต่ชอบสอนคนอื่นนายเป็นคนดีแต่พูดเอาเข้าจริงทําไม่ได้ คุณมันปากหวานก้นเปรี้ยวแกด่าคนอื่นยังไงเป็นซะเองอย่างนั้นหมดเธอท่าดีทีแล้วต้นแรงปลายแผวประจำและมีคำนิยามอื่นๆอีกมากมายยิ่งสนิทกับใครมากขึ้นทุกวันคำนิยามเขาหรือเธอในหัวคุณจะยิ่งสั้นลงเรื่อยๆแล้วก็นิยามได้เป็นจุดๆตรงจริงบ้างคิดเอาเองบ้าง เหมือนเห็นทะลุปุโปร่ปรงหมดว่าถ้าใครเปลี่ยนตรงนั้นตรงนี้จะน่ารักขึ้นปานใดหรือชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองกว่าเดิมขนาดไหนแต่กับคนที่อยู่มาทั้งชีวิตอย่างเช่นตัวเองรู้กระจ่างทุกอย่างกระทั่งความนึกคิดว่าทำอะไรหวังอะไรบางทีคุณอาจไม่เคยให้คำนิยามใดๆไว้เลย ไม่เคยตัดสินตัวเองด้วยคำพูดโหดโหดเจ็บเจ็บเหมือนอย่างที่ทำได้ง่ายๆกับคนอื่นเลยรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เริ่มฝึกตัดสินตัวเองรู้ไหมอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนิยามตัวเองด้วยคำสั้นๆได้ตรงจุดเป็นเวลาไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือนเอาก้าวแรกง่ายๆ คุยกับใครเสร็จลองดาวจากสายตาเขาหรือเธอสิว่าตัดสินคุณด้วยคำสั้นๆไว้อย่างไรน่าคบไม่น่าคบน่าคุยต่อไม่น่าเจออีกผิดหรือถูกช่างมันอย่างน้อยฝึกยืมสายตายืมความรู้สึกคนอื่นมาก่อนเป็นการทบทวนตนเองอย่างที่ไม่เคยทำมาเลยก็เล่ากัน ทบทวนตัวเองจากสายตาคนอื่นเรื่อยๆคุณจะค่อยๆกลายเป็นนักทบทวนตัวเองโดยไม่ต้องยืมสายตาใครเพราะใจแยกตัวเองออกไปเป็นสายตาคนอื่นได้ถนัดชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วคิดแล้วชอบไม่ทำชอบไม่ทำตามที่พูดชอบแพ้ภ่ยตัวเองด้วยความคิดกลับไปกลับมาชอบหาแพะมารับบาปแทน ชอบนึกว่าตัวเองน่าสงสารอยู่คนเดียวในโลกและอื่นอื่นอีกมากมายฝึกนิยามตัวเองให้คำนิยามตัวเองก้องอยู่ในหัวยิ่งกว่าที่เก็บคำนิยามคนอื่นไว้ให้พลุ่งพล่านอยู่ในใจชีวิตคุณจะต่างไปอย่างคาดไม่ถึงเพราะคุณจะเลิกดิ้นรนอยากเปลี่ยนโลกซึ่งเปลืองแรงเปล่าหันมาเปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งคุ้มแรงคิด ข่มชีวิตทุกวัน